ชีวิตของเราต้องหมั่นฝึกฝนตนเองต้องนำตนไปสู่จุดหมายปลายทางที่สูงสุดเรียกว่าชีวิตที่ประเสริฐถ้าเราไม่ฝึกฝนตนเองเราก็ง่ายที่จะคล้องแวะกับความทุกข์หลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโน วันนี้อยากจะชวนคุณหมอพูดถึงเรื่องบางเรื่องซึ่งรู้สึกว่าโดนใจตัวเองในหลายๆวันที่ผ่านมานะคะครับต้องถามคุณหมอก่อนว่าคุณหมอเคยนั่งแท็กซี่ไหมคะเคยอยู่ครับแต่คงไม่บ่อยใช่ไหมคะครับตัวเองก็นั่งแท็กซี่ไม่บ่อยเหมือนกันแต่ว่าช่วงหลังๆนี้รู้สึกว่าจะได้ใช้บริการแท็กซี่บ่อยขึ้นโดยเฉพาะการไปในสถานที่บางแห่งซึ่งเราคาดหมายว่าที่จอดรถจะไม่เพียงพอ ก็ตัดสินใจแก้ปัญหาให้สังคมด้วยการไม่ไปเพิ่มปริมาณรถที่ไอจอดเพิ่มขึ้นเลยนะคะครับหลายครั้งเนี่ยที่นั่งแท็กซี่เนี่ยส่วนมากเวลาจ่ายตังค์ค่าแท็กซี่เนี่ยจะจ่ายเกินนิดหน่อยเท่าที่พอจ่ายได้เท่าที่สตางค์จะลงตัวอะไรอย่เงี้ยนะคะแต่ว่ามีประสบการณ์ใหม่ที่แหมยอยากจะแบ่งปันเล่าสู่กันฟังนะคะก็นั่งแท็กซี่ไปประชุมแล้วก็ปรากฏว่า สตังเราเนี่ยมีไม่พอให้ค่าแท็กซีอ่อ่ะค่ะคุณหมอค่ะแล้วแท็กซี่ก็น่ารักมากเลยอะคือเขาบอกว่าให้เขาทอนเขาก็ไม่มีตังทอนหรอกคือต้องแพ้ตัวเองนิดหนึ่งว่าปกติแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยได้ปกสตังเยอะนะคะวันนั้นเนี่ยสตังทั้งกระเป๋าเนี่ยก็มีแค่แบงค์พันหนึ่งใบแบงค์ยี่สิบอีกหนึ่งใบแล้วก็เศษเหรียญรวมกันได้ประมาณหกสิบบาท แต่ว่าค่ารถเนี่ยมันร้อยสิบาทอะค่ะคุณหมอนี่ทําไงล่ะคะไอ้เราก็นับตังตลอดทางเลยจะพอไหมเนี่ยก็ถามเขาว่ามีตังทอนไหมเขาก็เฉยเฉยพอถึงปลายทางแท็กซี่น่ารักมากเลยค่ะคุณหมอไท็ซี่บอกว่าถ้าไม่พอก็ไม่เป็นไรผมเองก็ไม่มีตังทอนพี่มีเท่าไหร่ก็ให้มาเท่านั้นก็แล้วกันพบ<ฮ>ประโยคอย่างเงี้ยมีความสุขว่าอืม แบบฟังแล้วชื่นใจจังเลยอ่ะมีความสุขก็ขไม่ได้ดีใจที่เสียเงินร้อยลงสี่สิบาทนะค ะ, คะแต่มีความสึกว่าะเขาเนะี่ยคนหาเช้ากินข้าอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีโอกาสหาไรายได้มากกว่าเขาแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาให้เราได้อ่ะแล้วก็ไม่โกรธเราแล้วก็เต็มใจให้อะไรอย่างเงี้ยมีความสุขก็หึงก็ทับใจมากเลยอ่ ะ, ะแต่ตอนนั้นก็คิดน้อยไปหน่อยว่าลืมที่จะจดชื่อ หรือว่าเลขรถของเขาเอาไว้นะคะจะได้ประกาศเกียรติคุณคุณแท็กซี่รายนานให้เพื่อนของเราได้ร่วมอนุโมทนาแล้วก็เรียกว่าไงจริงจริงมันก็อาจจะไม่ใช่บุญใหญ่ยิ่งอะนะคะแต่ในความรู้สึก ข, ของตัวเองเนี่ยการได้สิ่งเล็กๆน้อยนจากคนที่เราไม่คิดว่าเขาคิดจะให้เราเนี่ยโอ้มันมันดูยิ่งใหญ่อ ะ, ะเวลามีคนบริจาคเงินให้ชมรมหรือมีคนให้แสดงตัวเองเป็นหลักหมื่นเนี่ย ก็ยังรู้สึกไม่ดีใจเท่าได้40บาทนั่นเลยค่ะมีความสุขก็ดี ม, มีคุณค่ามีคุณค่ากับใจของเรามากเลยอะ่ะทําให้จิตใจเรารู้สึก ม, มีด้วยเหรอประสบการณ์แบบนี้ไม่คิดว่าในชีดนี้จะได้พบเจอนะคะคะแต่ว่าก็ความที่เราไม่อยากเอาจากเขาเนี่ยเราก็เลยไม่ได้สนใจที่จรีบจดเลขทะเบียนหรือชื่อเสียงเรงนามเข้าไว้ก็พยายามลงจากรถมาเพื่อจะมาหาร้านค้าแถวนั้น เผื่อจะมีร้านค้าแรกสตางค์ได้ปรากฏว่าไม่มีเลยค่ะที่จะให้แรกสตางค์ได้หันไปดูทีแท็กซี่ก็หายไปแล้วก็เลยเท่ากับว่าต้องขอขอบคุณออกอากาศผ่านรายการซะเลยดีไหมคะเนี่ย <c oughs> ก็ต้องขอบอกว่าเป็นแท็กซี่สีส้มมานะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเลขทะเบียนอะไรก็ขอขอบพระคุณคือตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ขอบพระคุณอย่างเดียววันนั้นก็ทั้งขอโทษ ด, ด้วยที่ไม่สามารถจะมีตังค์ให้เขาได้พอเพียงแต่ที่มากมากกว่านั้นมากกว่าคําขอโทษและคําขอบคุณเนี่ยก็คือ ความประทับใจนะคะเวลาที่เราได้ในสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะได้เนี่ยมันเป็นความสุขที่ใหญ่จังเลยอะคะ่ะไม่ทราบคุณหมอเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคะอาจจะไม่ใช่เรื่องของค่าแท็กซี่ก็ได้อาจจะเป็นเรื่องอื่นซึ่งเราคิดว่าเราไม่คิดว่าเร า, า, เราจะได้อ ะ, ะแต่เราได้อะอีกจริงความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยมันจะมีมากถ้าเกิดว่าอันที่หนึ่งคือเราไม่ได้คาดหวังค่ะ อันที่สองก็คือว่ายิ่งไม่คาดหวังแล้วยิ่งไม่คิดไว้ก่อนเลยว่าจะเป็นไปได้คือเป็นไปได้ยากไม่เคยคิดเลยค่ะฮะเพราะว่าเรามองว่าโดยเฉพาะในสังคมของทุกวันนี้ยิ่งเฉพาะสังคมกรุงเทพหรือว่าสังคมเมืองค่ะโอกาสที่จะมีการให้หรือว่าการยินยอมพร้อมใจหรือว่าไม่แต่ว่าต่อขานนี่ก็ถือว่าดีแล้วนะฮะถ้าเราไม่ได้คาดหวังไว้ก่อนแล้วก็ได้จากบุคคลที่เรียกว่าถ้าได้จากคน ร่ำรวยหรือว่าคนที่พอมีฐานะเนี่ยเราก็คงไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่เฉยๆค่ะใช่ไหมแต่ว่าถ้ายิ่งได้จากบุคคลที่เรียกว่ายิ่งยากจนเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยมันต้องกลั่นออกมาจากใจส่วนหนึ่งเลยทีเดียว ใช่ใช่ไหะซึ่งอันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็คือน้ําใจนะครับพี่สี น, นั่นน่ะสิคะเป็นน้ําใจที่หาได้ยากในสังคมเมืองทุกวันนี้แล้วก็ยิ่งหาได้ยากมากขึ้นถ้าหากเขาขัดสนหรือว่าอขาดแคลนอยู่ค่ะนั้นอันที่สองหรือว่าผลที่เกิดจากการให้หรือว่าจากการได้รับจากสิ่งที่ยากๆเนี่ยดูว่ามันจะมีคุณค่ามากกว่าที่เราให้ง่ายๆค่ะนะครับ อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เราหาได้ยากขึ้นแต่ว่ากลับเป็นสิ่งที่ต้องชักชวนกันทําให้มากขึ้นนั่นเลสิคะเพราะว่ามันจะเป็นปรากฏการณ์ที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่ดีๆเกิดขึ้นกับบุคคลที่ได้รับใช่ไหมครับค่ะใช่แล้วก็อาจจะมีกําลังใจในการที่จะทําอะไรดีๆต่อไปอ่าใช่ช่วยกันให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปความสุขความสงบในสังคมในชีวิต ของเราก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับที่จริงตรงนี้ก็เป็นความสุขเล็กๆนะคะแต่ว่ามันบานเต็มหัวใจเลยนะคะคุณหมอ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่าโดยปกติแล้วตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะเ จ, เจอในภาวะที่เรียกว่าไม่ค่อยได้สิ่งที่อยากได้ในเวลาที่อยากได้และมักจะได้สิ่งที่ไม่อยากได้เสม อ, <c oughs> อ น, นั่นก็ถูกแล้วครับพี่จีนะอ่าเพราะว่า พระ์ก็ตัดไว้อยู่บ่อยๆว่าถ้าเราปรารถนาสิ่งใดเนี่ยถ้าไม่ได้สิ่งนั้น<อ>มันก็นจะเป็นทุกข์กค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ปรารถนาอะไรๆนะฮะหรือว่าไม่ได้ตั้งหวังอะไรความผิดหวังมันก็จะไม่มีค่ะใช่ไม้มฮะลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะหนึ่งที่เรียกว่ามันคงจะเป็นบุคลธรรมที่ดีของเรานะครับออเลยค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้ยกยอป่อปั้นนะครับค่ะพิจินี้น่าก็ให้มาเยอะ จะได้สิ่งดีๆตอบแทนคืนบ้างก็ไม่น่าจะคิดปกตินะฮะ แ, แต่คุณหมอคะสี่สิบบาทนี้มีค่ายิ่งกว่าสี่แสนอีกนะคะขอบอกเพราะว่าที่สินี้นาดให้ด้วยใจไงค่ะไม่ได้คิดถึงมูลค่าเพราะมูมลค่าที่ได้ก็วัดไม่ได้แต่ว่ามันวัดได้ที่มูลค่าของน้ำใจค่ะนะมัน จริงๆแล้วผมก็ว่ามันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมแหละครับโอ้สาธุเราทําด้วยใจน ะ, ะเราก็ได้ด้วยใจเราไม่ได้ด้วยมูลค่าค่ะครับก็ปกติแล้วเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่มักจะได้อะไรที่เราไม่อยากได้แล้วอ่ะตอนที่ไม่อยากได้แล้วถึงจะได้แต่ตอนที่อยากได้แล้วมักจะไม่ได้ครับพอมาคิดย้อนดูแล้วเนี่ยเออมันก็เป็นการฝึกใจเราเนาะ เวลาอยากได้ก็ดัดนิสัยให้ไม่ได้ซะจะได้รู้จักเจ็บรู้จักทุกข์แล้วก็รู้จักที่จะไม่คิดอยากได้อะไรแต่พอไม่อยากได้เนี่ยสิ่งที่เราเคยอยากได้เนี่ยเดินตามกันมาเป็นพรวนเลยค่ะคุณหมอครับตลอกเจงเลยชีวิตครับถ้าเราพิเคราะดูสถานการณ์จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยของมันนะครับพี่สินีนาในลองขยายดิค่ะในสมัยที่เราอยากได้เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยให้ใช่ไหมฮะจริงค่ะเรามักจะ พยายามยิ่งดึงมาเหมือนกับยิ่งไม่ได้แต่<ะ>ถ้าหลังจากเราให้ให้ให้ให้ให้ใหเราก็ไม่ค่อยปราศถนาที่จะอยากได้อะไรแต่คราวนี้มันจะได้ใช่แล้วนั่นหมายความว่าการได้มาเนี่ยมันเป็นผลตามมาหลังจากการให้ใช่แล้วคะ่ะนั้นตรงจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญคะ่ะมันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยยิ่งให้ยิ่งได้<ะ>ใช่ไหมคะบางคนบอกว่าให้แล้วจะได้อะไร อืมก็อย่างน้อยก็ได้ให้แล้วครับใช่ค่ะอย่างน้อยก็ได้ให้แล้วแต่ทีนี้เนี่ยคนมักจะคาดหวังค่ะหรือตั้งหวังว่าฉันจะได้อะไรฉันทําทานเนี่ยฉันจะได้อะไรค่ะใช่ไหมเอาสวามพยายามไปได้อะไรอืมนั่นจริงๆแล้วอานิสงส์ของการให้เนี่ยมันก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมเมื่อมีการให้ค่ะนะสิ่งที่มันคืนสนองมาก็คือการได้ แต่จริงๆแล้วในความแสของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ทานรักษาศีลหรือว่าปฏิบัติภาวนาอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยการดําเนินการทําความดีความทามกุศลอะไรต่างๆเนี่ยเป้าหมายก็การลดละ ก, กิเลสนะครับค่ะเป้าหมายก็คือทำให้จิตใจของเราเนี่ยสงบเย็นมีความจางคลายของกิเลสตัณหาอุปาทานนะะั่นแหละะค่ะนั้นจริงๆเมื่อมาเราย้อนคิดดูความหมายของการให้เนี่ย การให้เนี่ยเป็นภาษาไทย่นะฮะแต่ภาษาบาลีท่านก็มีนะอวต า, านอท า, านน ะ, ะเราก็เลยพูดซ้อนกันไปเลยว่าทานคือการให้หรือว่าการให้ทานคจริงๆแล้วมันก็เป็นคำสองคาที่มีความหมายเหมือนกันเนี่ยมาพูดซ้อนกันค่ะนะนั้นทานเนี่ยในความหมายคือออกไปค่ะนะให้ออกไปเขาก็กล่าวว่ามีสองอย่างใหญ่ก็คือเป็นวัตถุทานคะนะครับวัตถุทานก็เป็นไม่ว่าจะเป็น ข้าวของเงินทองเครื่องใช้ปัจจัยสี่อะไรต่างๆเนี่ยค่ะกับอีกอันนึงก็คือธรรมทานออือใช่มไหมผมก็สรรเสริญเรื่องของการให้ธรรมทานว่าเป็นทานที่เลิศที่สุดค่ะเพราะว่าทําให้เขาเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้ยิ่งกว่านั้นก็คือว่ามันสามารถเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เรียก ว, ว่าข้ามภพข้ามชาติได้ด้วยค่ะนะครับแต่ทานในอีกความหมายหนึ่งที่น่าสนใจที่ผมเห็นว่ามันเป็นกิริยาหลิวลึกๆภายในก็คือการทวน ที่ศรี น, นาดึงออกนะเป็นการทวนกระแสภายในใจของเราฮะนะเป็นการทวนก็คือว่ายิ่งเราให้สมมุติว่าเรามีความเั้งหนีมากค่ะ <Okay. S 1> ยิ่งเราให้เนี่ยมันยิ่งสวนกระแสกับภายในใจของเราใช่ไหมมันจะมีความเสียงดังหนึกหนับในใจเรา <c oughs> หรือแม้แต่เรื่องของการที่เรามีความอาฆาตภัยบาป <c oughs> ถ้าเราให้ความเมตตากับเขาเนี่ยมันก็มีแรงเสียดทาน ใ, นในใจของเรามากเนี่ยตรงเนี้ยฮนะเป็นการทวนกระแสภายในใจของเรา นั้นการให้ที่แท้จริงเนี่ย<ม>ก็มันน่าจะอยู่ตรงนี้เลยฮะอืก็คือเป็นการทวนกระแสภายในใจของเรายิ่งให้เท่าไหร่ยิ่งเก็บปวดมากยิ่งกิเลสหนานะฮะแต่ถ้าให้ไปแล้วใจเราสบายมีความตะคิดตะขวงในใจน้อยลงไปเนี่ยแสดงว่าอุปาทานในใจของเราเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะนั้นถ้าให้โดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยปลอดโปร่งโล่งเบาอ่านี้แสดงว่าเราไม่มี ปัญหาหรือว่าอุปาทานในสิ่งที่เราให้ไปเลยอังนั้นตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราสามารถสังเกตได้ว่าไอ้กิเลสปัญหาอุปาทานในใจของเราเนี่ยลดลงไหมเนี่ยค่ะเราใช้การให้เป็นเครื่องชีวัดได้ด้วยนะครับ<อ>ที่โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอคะครับไม่ว่าจะเป็นให้วัตถุทานก็ตามให้อภัยก็ตามให้ความเมตตาก็ตามหรือว่าให้โอกาสหรืออะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเราสังเกตใจเราดูก็ได้ฮะ <c oughs> ใจเรายังสบายดีอยู่ไหม <c oughs> ตอดโปร่งโล่งเบาไหมหรือว่ามันหนักรู้ว่ามันมีรอยขีดรอยข่วนเกิดขึ้นไปในใจของเราเนี่ยสังเกต ด, ดูให้ดี <c oughs> นะคับเป็นอินดิเคเตอร์หรือว่าเป็นเครื่องชี้วัดที่ง่ายๆแต่ว่าผมเห็นว่าเป็นเครื่องชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ่ะ <c oughs> นะเขาทำอะไรกับเรา แต่เราสามารถให้อภัยเขาได้โดยที่เราไม่ได้รู้สึกติดค้างอยู่ในใจเนี่ยโอ้ผมว่ามันเป็นสิ่งเรียกว่าดีงามยิ่งยิ่งขึ้นไปเจ้าพ่อกันไปแล้วเนี่ยในกระบวนการให้ทั้งหลายแหล่เนี่ยการให้อภัยเนี่ยเป็นเรื่องยากที่สุดเลยนะคะคุณหมอครับแต่ถ้าใครทําได้นี่ก็ต้องขอยกมาเล่ให้เลยค่ะว่าเยี่ยมจริงๆเพราะโดยธรรมชาติแล้วคนเราทั่วไปก็มันมีความยึดถือในความเป็นตัวตนใช่ไหมค่ะดังนั้นในความยึดถือเป็นตัวตนเนี่ยมันก็จะต้องรักตัว นะป้องกันตัวหัวงแหนรักษาดังนั้นถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นที่ทําให้เกิดกระทบกระเทือนต่อความเป็นตัวตนของเราเนี่ยสิ่งที่มันต้องปกป้องเนี่ยมันก็จะมีอาการหึงหัวงหรือว่าเหนียวลั้งหรือว่าปฏิเสธผักใสเพราะฉะนั้นอาการเหล่านี้เนี่ยเราสามารถดูได้ภายในใจของเราเวลามีผัตตาต่างๆเข้ามากระทบดังั้นการให้เนี่ยเป็นเบื้องต้นที่สําคัญมากบางทีมันดูเหมือนว่าแค่บอกว่า ทานศีลภาวนาทานนี่ง่ายที่สุดใช่ไหมแต่ถ้ามองอย่างลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยการการทำทา น, ท, านที่ถูกต้องแล้วก็อนิสงฆ์มากมีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆทำนะเริ่มจากการให้เล็กๆน้อยๆก่อนก็ได้ให้ของที่เราไม่ใช้ก่อน่ะเดี๋ยามาก็ให้ของที่เราใช้ได้เดี๋ยวมาก็ให้ของที่เราหวงดูงที่ว่าใจเราเี่มันเป็นยังไงใจเราเป็นยังไงนั้น ในแง่ของการให้ในจริงแล้วเราไม่ต้องคาดหวังนะเพราะว่าในแง่ของกฎแห่งกรรมแล้วเนี่ยสิ่งที่เราให้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีงามไม่ใช่ให้ความประยาบาดนะฮะไม่ใช่ให้ความกโกรธไม่ได้ความอิจฉาด้วยายนั่นก็เลยไม่เรียกการให้การให้นี่เป็นชื่อของกุศลนะเป็นชื่อของคุณงามความดีอั้นยิ่งให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นก็ยิ่งเกิดมากขึ้นและก็ไม่ต้องคาดหวังเพราะว่า ยิ่งเราอยากได้คืนมันก็กลายเป็นการให้ที่เปื้อเปื้อนไปใช่ค่ะเป็นการให้ที่เศร้าหมองไปทังนั้นผลที่ตอบแทนคืนมามันก็จะเป็นผลตอบแทนที่มันเศร้าหมองมันเปื่อเปื้อนกับสิ่งที่มันคืนสนองเรามาค่ะดงั้นถ้าเราให้ด้วยใจที่บริสุทธิด้วยใจที่ปกติตั้งมั่นไม่หวั่นไหวด้วยความเมตตาด้วยความการุณาเนี่ยอา น, นิสงส์ก็จะเยอะครับพี่นเจ น, นะ ก็จริงอย่างที่คุณหมอพูดมาทุกประการเลยนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยสมัยก่อนตอนที่เด็กๆ เ, เนี่ยจะเป็นคนที่ให้อะไรใครไม่เป็นเลยและที่ว่ามักจะได้สิ่งที่ไม่อยากได้ไอ้สิ่งที่อยากได้ไม่ได้ก็เพราะตรงนี้ละคะ่ะคือใจเราคาดหวังะคะ่ะเรียกร้องต้องการอยากจะได้นูน่นได้นี่ได้นั่นสาลพัดจะอยากได้จากคนอื่นอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์หนัก ก็เลยเริ่มเกิดปัญญาขึ้นว่าเอ๊ะเราจะทุกไปทําไมเนาะเนี่ยในเมื่อสิ่งที่เราอยากได้แล้วไม่ได้เนี่ยเราจะให้กับคนอื่นบ้างให้มันรู้ไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับทีนี้ก็เริ่มฝึกการให้พอเราคิดว่าอะไรที่เราอยากได้แล้วเราไม่เคยได้เราจะให้สิ่งนั้นกับคนอื่นเนี่ยมันก็ให้ได้ทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าเราเคยอยากได้มาทุกอย่างเลยไม่มีอะไรที่เราไม่เคยอยากได้เลยก็เรียกว่าเป็นนัก ร้องตัวจริงนะคะแต่ว่าต้องมีคำว่าเรียกด้วยก็คือเป็นนักเรียกร้องตัวจริงที่ว่าเรียกร้องอะไรจากคนข้างตัวคนรู้จักคนรอบตัวไปหมดทุกอย่างเลยพอตอนหลังเราเริ่มรู้สึกว่ามันทุกข์อ่ะมันทนไม่ไหวแล้วอะ่ะต้องเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตใหม่ละก็เริ่มรู้สึกว่ามันเห็นทางสว่างนะคะเห็น <He és S 2> ทางสว่างว่าชีวิตเรามีความสุขเยอะขึ้นมากเลยตั้งแต่เราเลิกคิดจะ เรียกร้องอะไรต่ออะไรจากคนอื่นและเริ่มที่จะให้สิ่งที่เาขยัดได้กับคนอื่นอุยใจเรามีความสุขมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเป็นกองเลยจริงๆเลยค่ะทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยพยายามที่จะหาเงินหาทองกันให้ได้เยอะให้ได้มากๆาเพื่อที่จะให้มีความสุขใช่แล้วแต่นะไม่ใช่่จ ร, จริงแล้วเนี่ยความสุขที่ง่ายที่สุดเนี่ยเกิดขึ้นจากการให้ ค, ความสุขที่กิเทสแท้จริงเนี่ยเป็ความสุขใจเป็นความอิ่มเอิบใจเนี่ยหาไม่ได้ด้วยการมีเงินเยอะๆนะฮะการมีเงินเยอะๆเนี่ยกลับสร้างความทุกข์ให้มากขึ้นเพราะว่าแม้แต่ขณะที่ดิ้ น, นรนขวนขวาย ห, หาเนี่ยค่ะก็ทุกข์ไปอยู่แล้วน ะ, ะนอกจากนั้นการระวังรักษาการจัดการเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดทุกข์ได้อีกซ้ํำมาอีกนะครับแต่การให้เนี่ยนะเป็นการให้แม้แต่เล็กๆน้อยๆหรือว่าให้ทั้งด้าน ธรรมะเนี่ยซึ่งไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเลยเนี่ยกลับให้ความสุขที่ถาวรแล้วก็ให้ความอิ่มเอิบใจชื่นบานในใจของเราเนี่ยได้มากกว่าวัตถุทานได้ซ้าไปนะครับเพราะตรงจุดนี้เนี่ยเราอยาคิดว่าความสุขเนี่ยต้องได้มาจากการที่เราต้องมีเงินมีทองหรือว่าการที่เราต้องทําทานในปริมาณมากๆนิดๆหน่อยๆเล็ ก, ลกๆน้อยๆเนี่ยแต่ว่าให้ด้วยน้ําใจ ยิ่งให้ด้วยความยากลําบากเท่าไหร่ในใจของเราเนี่ยอาจจะสร้างความปีติให้กับคนอื่นได้มากนะฮะหรือแม้แต่ตัวเราเองเมื่อให้แล้วกลับมาและเลึกถึงสิ่งที่เราทําได้ยากยากเนี่ยเราจะมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทําได้ยากยากเหล่านั้นใช่เลยยิ่งคแคนมากถ้าเราสามารถให้อภัยคนนั้นได้อย่างเด็ดขาดติดศูนย์ไปเลยเนี่ยพอว่าหลังมาเรามานึกถึงว่าโอ้เราจะมีความภาคภูมิใจมากเหมือนที่เราไปเที่ยวอปีนไปเที่ยวภูกระดึงเดินเป็นสี่สิบห้าสิบกิโลล้ว ทำอะไรข้อสอบยากๆนะสอบเอ็นทานเข้ามหาวิทยาลัยได้อะไรอย่างงี้นะค่ะพวกนี้เรานึกถึงสิ่งเหล่านั้นเราจะมีความภาคภูมิใจเพรเหมือนกันเลยฮะค่ะความสุขใจทางธรรมเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการสลัดของที่มันยากๆในใจของเรานี่แหละนะซึ่งจริงๆแล้วอของยากๆในใจเราก็เป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆ น, นะครับไม่เป็นเรื่องอื่นหรอกค่ะถ้าเราสามารถสลัดมันไปได้ไดมากเท่าไหร่เนี่คว า, ามสุขความสงบความไม่เร่าร้อนภาในชีวิตของเราก็จะมากขึ้นเองค่ะ โดยที่เราอาจจะยังไม่ต้องไปเจริญสติภาวนาก็ได้นะครับพี่สินาะท mm hmm. ทำแค่นี้เนี่ยชีวิตของผู้คองเดือนเนี่ยโอ้โหมันก็มีความสุขสุขล แ, ลแล้วนะคะค